Mm hmm. ตามบ้านเรือนหรือว่าตามสถานที่ราชการจะมีภาพอยู่ภาพหนึ่งซึ่งเห็นได้ทั่วไปบางทีก็เป็นภาพวาดบนผนังบางทีก็เป็นภาพใส่กรอบติดไว้ข้างฝาจะเป็นภาพชื่อวสีสหาย ก็มีที่มาจากชาดกนะสีสหายที่ว่านี้ไม่ใช่คนนะแต่ว่าเป็นสัตว์ก็คือนกกระต่ายลิงแล้วก็ช้างคน ล, ละเผ่าพันธุ์คนละไซ้คนละขนาดแต่ว่าก็มาร่วมกันทำงานชิ้นหนึ่งก็คือปลูกต้นไม้ มาปลูกป่าด้วยแหละนกนี่ทำยังไงนกก็นี่ไปข้ามเมล็ดมาส่วนกระต่ายก็ไปหาปุ๋ยมาใส่ไว้ในหลุมส่วนลิงก็ทำหน้าที่รดน้ำช้างก็ทำหน้าที่ถืองวงนะแล้วก็ เพื่อที่จะเอาใบไม้ใบใหญ่ๆเนี่ยมามาบังแดดเพื่อให้มีร่มสำหรับต้นกล้าซึ่งก็ช่วยกันทำอย่างนี้จนกระทั่งต้นไม้กลายเป็นไม้ใหญ่ออกดอกออกผลทั้งสี่สหายก็ได้กินได้ใช้แล้วก็ ช่วยทำให้ป่านี่มันก็ขยายทำให้เกิดความร่มรื่นนะเรียกว่าได้ประโยชน์กันพร้อมหน้าอันนี้ก็เป็นนิทานที่เขาต้องการจะชี้เห็นถึงไม่ใช่แค่ความสามัคคีเท่านั้นนะแต่ว่าที้เห็นว่าความสำเร็จมันเกิดขึ้นได้ ก็เพราะว่าแต่ละคนเอาความแตกต่างที่มีอยู่มาใช้ให้เป็นประโยชน์ความแตกต่างมันไม่จำเป็นว่าจะต้องทำให้เกิดความขัดแย้งกันขึ้นมาเดี๋ยวนี้เราเพียงแค่แตกต่างกันก็ทะเลาะกันแล้วแตกต่างด้านศาสนาแตกต่างด้านสีผิว ภาษาก็อาจจะเป็นเหตุให้ทะเลาะ ก, กันได้หรือแม้แต่ใส่เสื้อโคนละสีหรือว่าผมจีวรคนละสีนะแม้จะไม่รู้จักกันเลยก็เกิดความรู้สึกเป็นคนละพวกทำให้เกิดความขัดแย้งกันได้ง่ายไม่ว่าในบ้านในวัดในชุมชน ทั้ั้งที่ความแตกตา่างนี่ถ้าใช้ให้ถูกใช้ให้เป็นนะมันก็เกิดประโยชน์เป็นการมาเสริมซึ่งกันและกันเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ขึ้นเพราะว่าความเป็นจริงมีอยู่ว่าคนเราไม่มีใครที่สมบูรณ์พร้อมเป็นหมดจะต้องขาดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าขาดหลายอย่าง แต่ถ้าเกิดว่าเอาความแตกต่างนั้นเข้ามาเสริมกันมันก็จะช่วยทำให้เกิดความสำเร็จขึ้นได้ไม่ต้องดูอื่นไกลนิ้วมือของเราเนี่ยอานิ้วก็แตกต่างกันนิ้วโป้งก็ใหญ่หน่อยนิ้วชี้ก็เล็กแต่ว่าล้วนแต่จำเป็นทานั้งสำหรับเรามนุษย์เรานี่ สามารถที่จะทำงานที่ใหญ่โตเช่นสร้างประสาทสร้างหอคอยสร้างปีรามิดที่สูงหินแต่และก้อนหนักเป็นตันๆหรือไม่จะทำกระทั่งทำสิ่งที่เล็กมา ก, มากๆเช่นวาดภาพเมืองในเม็ข้าสารเนข้าสารมันเล็กนะแต่ว่าก็มีคนที่สามารถจะวาดภาพได้ เป็นเรื่องเป็นเาวาหรือว่าสามารถจะสีไวโอลินนะหรือว่าเล่นยิมนาสติกที่มันละเอียดอ่อนมากก็ใช้มือที่มีความแตกต่างกันของนิ้วทั้งห้านิ้วนี่แหละทำให้สำเร็จขึ้นมาได้ถ้านิ้วเราเท่ากันหมดนะก็คงจะไม่สามารถจะทำ สิ่งวิเศษสดานที่หลากหลายตั้งแต่สากระเบื อ, อยานเรือลบได้นะหรือว่าเล็กกว่านั้นก็ยังไดนะ้ที่เพราะว่านี่เพราะความแตกต่างของนิ้วของเราทั้งห้ายอย่างในวัดของเราก็เช่นเดียวกันนะให้ความแตกต่างของผู้คนในวัดในว่าพระชีโยม มันล้วนแต่เป็นเป็นข้อดีที่มาเสริมกันและกันเพราะว่าแต่ละคนก็ถนัดไปคนละอย่างและความถนัดนี่บางทีเราก็มองไม่เห็นนะจนกว่าจะได้มาทําอะไรร่วมกันก็จะเห็นเพราะว่าบางคนนี่เขาก็มีความถนัดมีความสามารถที่นานยกย่องหรือว่าไม่คึกว่าจะมีซึ่งก็ช่วยกันเสริมกัน อย่างงานวันนี้เนี่ยขุดดินเพื่อจะเอาท่อสายไฟเอาขึ้นมาสำหรับเปลี่ยนไปเจอเอาหินนะหินลูกรังทับหนากันเป็นนิ้วๆเลยนะพรหนุ่มๆ น, นี่ก็ฟันเจาะไม่ค่อยลงนะฟันไปมันก็เด้งกลับนะเพราะว่าหินมันแข็งมากหลวงพ่อก้องอายุ83คว้าจอะฟัน อย่างสบายมากเลยคนหมุนนี่สู้ไม่ได้นะจงกระทั่งหินนี่ลูกลังหรือหินปูนนี่มันกระเจิงหมดเลยนะทำให้สามารถที่จะอเอาท่อขึ้นมาได้อันนี้ก็ทำให้ได้เห็นว่าเออถ้าหากว่าไม่มาทำงานด้วยกันก็ไม่เห็นแล้วก็ทำให้เห็นว่าถึงแม่ท่านจะมีอายุมากนะแต่ว่า อาจจะท่องส่วนมนต์ไม่คล่องนะหรือว่าอาจจะเทศไม่ถนัดนะแต่ว่างานแบบนี้นี่ท่านเก่งมากนะคนหนึ่งก็ต้องยอมแพ้และนี่ก็เป็นตัวอย่างว่าคนเรามีความสามารถหรือความถนัดไปคนละอย่างก็เอามาช่วยเสริมกันบางอย่างก็ต้องใช้คนที่อ่าเทศได้ มาสอนญาติโยมบางงานก็ต้องอาศัยแม่ชีที่มีความสามารถในเรื่องการทำอาหารบางอย่างก็ต้องอาศัยคนที่มีถนัดในเรื่องช่างบางทีก็ต้องอาศัยคนที่มีกำลังก็งช่วยคนเราไม้คนลรมือตามตามความถนัดซึ่งก็นาไปสู่ความสำเร็จและความสำเร็จนั้นก็ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของหมู่คณะ ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเป็นความสําเร็จของใครอย่างเมื่อเมื่อชานี้ท่านอาจารย์สุรินทร์ก็ได้เล่าเรื่องสาเหตุวัดร้างนะทําไมวัดถึงร้างนะเพราะว่าพระแต่ละรูปต่าง ก, ก็อ้างความสําเร็จว่าเป็นของตัวพระสามรูปพระรูปหนึ่งก็เก่งเรื่องสวดอีรูปนึงก็เก่งเรื่องเทศเรื่องสอนอีรูปหนึงก็เก่งเรื่องก่อสร้าง ต่างกันช่วยกันคนละไม้คนละมือทําให้วัดนี้ที่ร้างกลับมามีญาติโยมมาเข้าหาทําบุญก็เรียกว่าเกิดความสาเร็จขึ้นมาเพราะว่าต่างใช้ความสามารถที่ตนมีที่แตกต่างกันให้เกิดประโยชน์เป็นความสำเร็จทำให้โยมเข้าเข้าวัดเหมือนเดิมแต่พอ เริ่มมีความสงสัยว่าเอ๊ะหรือเริ่มมีการอวดอ้างว่าที่สําเร็จนี้ที่คนเข้าวัดเพราะฉันเพราะฉันสวดมนต์เก่งอีกท่านก็บอกเพราะว่าฉันเอสอนเก่งอีกท่านก็บอกเป็นเพราะฉันสร้างเสนาสนะให้มันน่ายอยู่คนก็เลยศรัทธาเข้าวัดนะถ้าหากว่าแต่ละคนต่างอ้างความสําเร็จว่าเป็นของตัวคนเดียวตอนนี้ก็จะเกิดปัญหาแล้ว แต่ถ้าเกิดว่าเรามองว่านี่คือความสำเร็จของหมู่คณะมันก็ไม่เกิดปัญหาหรือว่าถ้าดีกว่านั้นก็อาจจะมองว่าเออที่สำเร็จนะเพราะคนอื่นเราก็อยากจะอนุโมทนาแสดงบุธิตาเจ็ดด้วยอย่างเรื่องนิทานสีสหายเนี่ยเมื่อต่างคนต่างช่วยจนกระทั่งต้นไม้เติบใหญ่ ออกดอกออกผลแล้วก็ขยายตัวเป็นป่าร่มรื่นทั้งสี่ตัวก็ไม่ได้อ้างว่าความสำเร็จนั้นเกิดขึ้นเพราะตัวเองต่าว่าอ้างว่าความสำเร็จนั้นเป็นของตัวเองก็คงจะเกิดปัญหาเหมือนอย่างเรื่องภาสามรูปที่ว่ามาแต่ว่าทั้งสี่สหายนี้ก็ต่างก็ ถือว่าเป็นความสําเร็จนะของหมู่คณะไม่อ้างเอาความสําเร็จมาเป็นของตัวอันนี้ก็เป็นคุณธรรมข้อหนึ่งนะของมิตรที่ร่วมการทํางานส่วนใหญ่นี่ความสําเร็จพอเกิดขึ้นแล้วนําไปสู่ความแตกแยกอย่างวงดนตรีหลายวงที่มีชื่อเสียงเนี่ยพอดังแล้วก็ต้องแยกวงแนละ้วเพราะว่าต่างคนต่างก็บอกว่า มันสำเร็จเพราะฉันวงโด่งดังเพราะฉัน้นก็เลยไม่สามารถจะอยู่ร่วมวงกันได้อันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไปทั่วนะดังแล้วแยกวงแต่ถ้าเกิดว่าแต่ละฝ่ายเห็นว่าเออที่ดังได้ น, นี้เป็นเพราะว่าแต่ละคนได้ช่วยกันคนละไม้คนละมือก็ทําให้วงดนตรตีนั้นก็ยังอยู่ได้ไปเรื่อยๆ แล้วก็มีผลงานออกมาสม่ำเสมอนั่นคุณทํามข้อหนึ่งของคนเราเวลาทํางานคือว่าเมื่อมีความสําเร็จก็ยกให้เป็นของหมู่คณะไม่ยกมาเป็นของตัวเองหรือว่าถ้าทาได้ดีก็แนะ่คือว่ายกให้เป็นผลงานของความว่างอย่างท่านยามุทานบอกว่าจงทํางานทุกชนิดด้วยจิตว่างแล้วก็ให้ยกความสําเร็จเป็นของความว่าง ทุกอย่างสิ้นคือยกให้เป็นของธรรมชาติไปเราไม่ไม่ยึดมาเป็นของเราเลยเพราะถ้าเมล็ดกระตามที่เรายึดมาเป็นของเราแล้วมันจะเกิดความทุกข์เกิดความรู้สึกเป็นตัวกูของกูขึ้นมาความสําเร็จของกูงานของกูสําเร็จเพราะกูไอ้พวกนี่แหละคือรากเหง้าหรือจุดเริ่มต้นของความแตกแยกและของความทุกข์นะเวลามีคนวิจารณ์ก็จะทุกข์ ว่าขอวิจารณ์งานของกูหรือวิจารณ์ตัวกูทั้งทังที่ถ้ามีปัญญานหน่อย <c oughs> ก็อาจจะได้ประโยชน์นะจากคําวิจารนั้นนักคนฉลาดนี่เขาเวลามีใครวิจารณ์เขาก็จะฟังถึงแม้ว่าจะจะไม่พอใจแต่ว่าก็รู้ทันถ้ามีนัก ทำหนังโฆษณามือทองคนหนึ่งของของไทยมีผลงานได้รางวัลระดับโลกเป็นสิบ0รางวัลนล้วแต่ระยะหลังก็ผลงานก็เริ่มน้อยลงแต่ว่าเขาก็มีชื่อมากผลงานโฆษณาของเขาหลายชิ้นก็ผ่านตาพวกเรามาไม่มากก็น้อยนะตั้งแต่สิบกว่าปีที่แล้วนะเพราะเราว่าเวลาเขาทางานโฆษณาแล้วก็ ก็ต้องผ่านเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่ทันตที่เซ็นเซอร์ตรวจบางทีผลงานเขานี่มันดีไปคุณภาพสูงแต่ว่าไม่ผ่านกองโฆษณาหน่วยงานที่ว่าก็ถูกตีกลับมาเขาก็โกรธ น, นะเพราะเขรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่พวนนั้นไม่เข้าใจหรือไม่มีความสามารถพอที่จะเข้าใจงานของเขาจากสักพักเขาก็จะ จะกลับมาพิจารณาแล้วก็ปรับปรุงงานของตัวเองก็บอกว่าเขามีหน้าที่วิจารณ์ส่วนเราก็มีหน้าที่โกโรธเจ้าของผลงานก็มีหน้าที่โกโรธแต่ว่าอย่ากโกโรธนานต้องเอาความเห็นของเขามาพิจารณาแล้วก็ก็พบว่าหลายครั้งพอมาปรับปรุงแล้วมันดีขึ้นถึงแม้ว่าที่มาปรับปรุงไม่แต่ปรับปรุงตามความเห็นของเจ้าหน้าที่ที่ว่า แต่พอมามองมันอีกแง่มุมหนึ่งเออได้แง่คิดที่ปรับปรุงแล้วมีผลดีอันนี้ก็เรียกว่าความสำเร็จก็เกิดขึ้นได้ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเราไม่ไปยึดติดถือมั่นกับกับผลงานของตัวเองมากเกินไปจนกระทั่งเกิดความมัวสุมเป็นตัวกูของกูอย่างหนานแน่นถ้าจะมีก็ให้มันมีเบาๆบางๆหน่อยหรือว่าถ้าทําได้ก็ยกให้เป็นไม่ใช่ของตัวเองแต่ยกให้เป็นของธรรมชาติ หรือยกให้เป็นของเพื่อนไปนเลยอย่างภาพสามรูปที่ว่านี่ถ้าเกิดว่าทั้งสามรูปต่างก็ยกผลงานให้เป็นของเพื่อนอีกสองรูปนะก็คงจะอยู่ได้กันได้ด้วยความสามาคัคคีและความรักซึ่งอันนี้ต้องอาศัยความอ่อนน้อมถ่อมตนว่าโอ้ไม่ใช่เป็นพ่อชั้นหรอกแต่เป็นพ่ออีกสองรูปที่สองรูปนี้เขาเก่งนะเขามีความสามารถ ยกผลงานให้เป็นของเพื่อนไปไม่ใช่ยกผลงานเป็นของตัวของตัวเองหรือว่าของของคณะเท่านั้นนะแต่ว่าไปยิ่งกว่านั้นคือว่ายกผลงานให้เป็นของเพื่อนแล้วก็สแสดงวุติตาจิตด้วยโอเนี่เขาเป็นพราเขาวขาเลยเราก็ชื่นชมมันก็มีบางประเภทที่เรียกว่าพอเห็นเพื่อนเก่งแล้วก็อิจฉาก็เลยอยู่ด้วยกันไม่ได้เหมือนกันนะ อยู่ได้ความทุกข์อันนี้พราะไม่มีมุติตาจิตแต่ถ้าเกิดมีมุติตาจิตแล้วนี่ก็จะทํา ง, งานได้มีความสุขอยู่ได้อย่างมีความสุขแล้วก็สามารถที่จะช่วยกันฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปได้อ้ น, นี้เป็นคุณธรรมที่พวกเรานะก็ควรมีแล้วก็ควรสร้างขึ้นมันเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งนะที่ช่วยลดละ ไอ้ความยึดมั่นในตัวกูของกูได้เยอะเลยเวลาเรายกความสําเร็จให้เป็นของเพื่อนเนี่ยบางทีตัวตัวกูหรือตัวมาณะมันก็จะบอกว่าไม่ยอมไม่ยอมนะมันเป็นของกูมันเป็นของกูนอกนะไอ้ตัวมาณ์มันจะไม่ยอมนะมันจะไม่ยอมยกความสําเร็จให้เป็นของคนอื่นมันจะเอาเข้าตัวหรือเอาเอามากกว่าที่ควรจะควรจะอ้างด้วยซ้ํา เรียกว่าแย่งผลงานมาเป็นของตัวเดี๋ยนี้เห็นบ่อยมากการแย่งผลงานของคนอื่นมาเป็นของตัวอันนี้หนักเข้าไปใหญ่อันนี้เป็นธรรมชาติของอัตตาที่เ ร, เรียกว่ามานะมานะนี่มันจะมีลักษณะว่าต้องการอวดเก่งกูเก่งกูเก่งกูแน่นะแล้วก็จะทำไงก็ได้เพื่อให้คนเขายอมรับหรือว่ายกย่องชื่นชมสรรเสริญ แล้วก็จะต้องยิ่งไปแย่งผลงานมาเป็นของตัวเองให้เวลาเราทํางานเนี่ยเราก็ต้องสังเกตว่าเนี่ยไอ้มาณามันจะเป็นอย่างนี้และวิธีหนึ่งที่จะจะสู้กับมานะหรือว่าจะไม่ยอมอยู่ในอนํานาจของมานะก็คือการมอบผลงานให้เป็นของเพื่อนไปเลยยกให้เพื่อนไปเลยยกให้หมู่คณะไปเลย ซึ่งมันก็จะสวนทางกับตัวมานะมานะมันไม่ยอมมันอยากจะอวดนอกจากมันจะพยายามแย่งผลงานเป็นของตัวแล้วมันก็อยากจะอวดด้วยเวลาเราเก่งเราท้องความสําเร็จแล้วเนี่ยสังเกตมาใจใจมันอยากจะอวดอยากจะประกาศให้โลกรู้นั่นแหละเป็นหน้าที่ของมานะเป็นสันดานของมานะพอเราพยายามที่จะปิดปากไม่พูดอะไรเนี่ยไม่อวดเก่งเนี่ยมันจะมีความ มีแรงขัดขืนต่อต้านข้างในปามันอยากจะบอกอยากจะอวดให้โลกรู้พอเราไม่ยอมเนี่ยมันก็จะขัดขืนแต่ทําไปทาไปนะมันก็จะแผ่วเสียงลงแผ่วเสียงลงแล้วก็วุ่วายน้อยลงอันนั้นแสดงว่ามานะ์มันก็เริ่มอ่อนกําลังแล้วแล้วเราก็จะมีความสุขนะถึงแม้ว่าไม่มีคนเห็นหรือคนรู้ว่าเราเราเก่งหรือเราสําเร็จเราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไร พอเรารู้ว่าไอ้ของเมุ่อนี้มันไม่แน่นอนวันนี้ชมพรุ่งนี้ก็อาจจะตําหนิได้วันนี้ยกย่องสารสนุปุ่งนี้ก็อาจจะลุมประนามได้มันเป็นของที่ไม่แน่นอนจะไปยึดมั่นถือมั่นกับมันทําไมยิ่งไปยึดยิ่งเป็นทุกข์เพราะว่าพออยากอวดอยากอ้างมันก็จะไปขัดแย้งกับคนอื่นที่เขาก็อยากอวดอยากอ้างเหมือนกันอย่างาพรสามรูปที่ท่านอาจารย์สุรินทเล่าเนี่ย ก็เลยก่อความทุกข์ให้แก่กันและการสุดท้ายก็อยู่ไม่ได้ไต้องแตกกันไปคนละทิศคนละทางในการทํางานนี่มันมันเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างดีนะที่ทําให้เราได้เห็นให้ตัวกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นแล้วขณะเดียวกันก็เรียนรู้ว่าเราจะหาทางลดละกิเลสได้อย่างไรลดละหรือว่ากล้าขัดเคืนกับตัวมาณะได้อย่างไร รวมทั้งได้เรียนรู้ที่จะไม่ทำตามอารมณ์เพราะว่าเวลาทำงานเราก็ต้องคำนึงถึงคนอื่นด้วยจะเอาตามใจของเราไม่ได้จะเอาตามความเห็นของเราอย่างเดียวไม่ได้ต้องฟังคนอื่นด้วยมันจะได้มาเป็นการลดละเอทิฐิมานะหรือว่าลดละาการที่ยึดติด ถ, ถือมั่นตามอารมณ์ของเราบางทีไม่ทำงานร่วมกันก็ไม่รู้นะ ทำงานคนเดียวก็จะไม่เห็นแต่พอทำงานร่วมเราก็จะเห็นแต่ว่าถ้าเราส่งจิตออกนอกไปมันก็ไม่เห็นอยู่นั่นเองเพราะฉนั้นมันก็ต้องอาศัยการมีสติมาตามรู้ดูใจของเราด้วยหรือไม่ก็สังเกตนะพฤติกรรมของเพื่อนบางทีพฤติกรรมของเพื่อนโรงงานก็เป็นกระจกสะท้อนเนียเราเห็นว่าในตอนนี้เรากาลังอวดเก่งและตอนนี้เรากําลังดือ้อกำลังเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางแล ก็ทําให้เราได้รู้จักตัวเราเองการทํางานกับคนอื่นบางทีก็ทำให้รู้จักตัวเองนะทํางานคนเดียวหรือว่าอยู่คนเดียวบางทีแม้ก็ะทังปฏิบัติทำนี่บางทีก็ไม่เห็นตัวเองได้ชัดเท่ากับเวลาได้ทํางานกับคนอื่นเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาความเห็นของตัวเองเนี่ยเป็นที่ตั้งไม่ฟังใครก็จะมีปฏิกิริยาจากคนรอบข้างถ้าเราสังเกต เราก็จะเห็นแล้วเราก็จะรู้ตัวไมไม้มันก็ไม่ยอมรับมันก็จะโทษคนโน้นคนนี้ว่าไม่ใช่ฉันเป็นพ่อคนอื่นมากกว่าแต่ถ้าเราซื่อสกกักระตัวเองแล้วเรามีสติพอมันก็จะเห็นโอมันเป็นเพราะเราด้วยเป็นเพราะเราเอาความเห็นของตัวเองเป็นที่ตั้งก็จะได้รู้จักกิเลสตัวนี้มากขึ้นแล้วก็หาทางที่จะไม่ทําตามอํานาจของมัน ถ้าการทำงานนี่บางทีมีอะไรที่ขัดแย้งกันก็ถือเป็นเรื่องดีนะเพราะว่ามันเป็นตัวที่คอยขยา่าลขย่า ก, กิเลสของเราให้โผล่ขึ้นมาเวลาอยู่คนเดียวกิเลสมันมันซุกซ่อนอยู่แล้วคนนึกว่ากําจัดหรือลดละกิเลสไปได้เยอะแล้วแต่ที่จริงไม่ใช่มันเหมือนกับตะกอนที่นอนก้นเลยดูเหมือนว่าน้ํามันใสแต่จริงน้ําไม่ใช่ใสหรอก แต่ตะกอนมันนอนก้นอย่างต่างหาเวลาทํางาน ม, มันก็ย่อมมีการกระทบกระทั่งกันบ้างก็เหมือนกับแก้วน้ําที่ตะกอนนอนก้่นพอขยา่านี่มันฟุ้งเลยเราก็ได้เห็นละโอกีเแหล่เราเยอะเหลือเกินนะเกิได้รู้ตัวมากขึ้นตอนที่ไปอยู่วัดอมารวดีประเทศอังกฤษเมื่อ20ปีที่แล้วที่อาจารย์ซูมเมโต้ท่านเป็นเจ้าวาด รูปไอสุไบโทนัานก็เป็นลูกศิษย์ฝรั่งควรแรกๆของหลวงพชาแล้วก็ไปสร้างวัดที่ประเทศอังกฤ ษ, กฤษตั้งแต่ปี20น่ะอาตมาก็จะไปที่นั่นก็อยู่จำบัญสาที่นั่นนี่ก็จะมีลักษณะแตกต่างกับที่นี่เยอะไม่ใช่แค่เรื่องของเสนาสนะการกินการอยู่นะแต่ว่าการทำงานที่นั่นก็เยอะมาก เรียกว่าตั้งแต่เชา้าพอหลังทํ า, าวัดเช้าก็ต้องทำความสะอาดเสนาส น, นะเสร็จแล้วก็ชันอะไรนิดหน่อยแล้วก็ออกไปบินธรรมบา่าบินธรรมบ่าเสร็จกลับมาพักนิดหน่อยชันเพนชันเพนเสร็จก็ต้องอาสาสมาัครกันไปทำความสะอาดล้างชามถ้วยในครัวของเป็นร้อยๆ้อยชิ้นต้องรีบทำให้เสร็จก่อนบ่าย เพราะว่าตอนบ่ายจะต้องมีงานของหมู่คณะตั้งแต่บ่ายบ่ายโมงถึงห้าโมงเย็นแล้วมีงานทุกวันยกเว้นวันโกนและวันพระนี่เราทําเฉพาะวันโกนใช่ไหมแต่นั่นวันโกนนี่หยุดวันพระหยุดที่เหลือต้องทําทุกวันและก็ต้องหางานให้ทํำนะอันนี้ก็เป็นเป็นภาระของอ่พระที่ทำหน้าที่ด้านนี้คือต้องหางานให้พระธรรม เป็นนโยบายเลยเพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อบูรณะวัฒนาวัดให้สะอาดหมดจดแต่เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมเพราะว่าเวลาได้ทํางานก็อาจจะมีเรื่องกระทบกระทั่งกันบ้างหรือถึงแม้ไม่มีเรื่องกระทบกระทั่งมันก็ต้องต่อสู้กับกิเลส ท, ที่อยากจะหาความสงบกิเลสเนี่ยมันก็อยากจะได้รับความสงบแต่ว่าต้องออกมาทํางานก็ต้องเกิดความขัดแย้งขึ้นมาในใจ บางทีก็เกิดความขัดแย้งกับเพื่อลวงงานก็มีคนบ่นให้หลวงพ่อซุมเมโทรฟังว่ไม่อยากทํางานวันนี้งานเยอะนะแต่หลวงพ่อทต้องบอกว่านี่แหละนัมันเป็นการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เราได้เห็นได้เห็นไอใจที่มันเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะบางทีปฏิบททัติธรรมปฏิบัติธรรมใบใจมันสงบสบายก็นึกว่าทุกอย่างเรียบร้อย แต่ที่จริงมันแค่กิเลสมันนอนก้นเท่านั้นแหละอที่ให้ทํางานก็เพื่อให้ขย่ากิเลสให้มันฟุง้งเพื่อให้ได้เห็นแล้วก็ได้จัดการได้อย่างถูกต้องรวมทั้งเรียนรู้ที่จะอยู่กับผู้อื่นอยู่กับสิ่งที่อ่ามากระทบโดยที่ใจไม่ทุกอันนี้เป็นการปฏิบัติเป็นสิ่งที่ส่งเสริมการปฏิบัติธรรมมากเพราะคนเราเนี่ย จะให้เจอแต่สิ่งที่พอใจมันเต็มไปไม่ได้มันต้องเจอสิ่งที่ไม่พอใจสิ่งที่มากระทบปัญหาไม่ใช่ที่ว่าขจัดสิ่งที่ไม่พอใจสิ่งที่มากระทบให้หมดไปจะได้ลาบลื่นไม่ใช่แต่เราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันโดยที่ใจไม่ทุกข์ไม่ว่าจะเป็นการกระทาหรือคาพูดของคนอื่นหรือการทำงานเราก็รู้จักปล่อยรู้จักวางได้ ยิงถ้ารู้จักทํางานนี่มีสติแล้วด้วยเนี่ยนะให้งานยากไปจะกลายเป็นงานง่ายขึ้นมามันเจาจะยากแต่กายแต่ใจไม่ไม่ไปเดือดเนื้อร้อนใจด้วยบางคนทําไปบ่นไปทําไปบ่นไปไอ้ที่ทุกเนี่ยไม่ใช่เพราะงานมันยากนะแต่เพราะใจที่มันบน่นคนส่วนใหญ่ไม่สังเกตนะว่าที่ทุกจะเป็นเพราะใจมันบน่นใจไม่ยอมรับใจมันต่อต้าน แต่พอลองทำใจให้ยอมรับเนี่ยความทุกข์จะหมดไปเลยก็จะเห็นได้ว่าโอที่ทุกข์เนี่ยนะมันไม่ใช่เพราะเนื้อ ง, งานไม่ใช่เพราะงานมันยากไม่ใช่เพราะงานมันเหนื่อยแต่สายเหตุสมัยจริงๆเขาใจมันไม่ยอมรับใจมันต่อต้านขัดขืนพอทำใจเป็นปกติได้หรือมีสติดูรู้อาการบ่นบวยวายของใจมันสงบลงได้พนนี้การทางานเป็นเรื่องงา่าย เคยมีเพื่อนเป็นพระเซนแต่เป็นชาวอเมริกันเขาเล่าให้ฟังวัดเขาอยู่ในซานฟรานซิสโกประเทศสหรัฐอเมริกาอาจารย์ของอาจารย์เขาเป็นเป็นคนที่มีชื่อมากในเรื่องของการสอนธรรมะเป็นชาวญี่ปุ่นชื่อชุนเวะสุสุสกินี่พวกฝรั่งที่สนใจเรื่องเซนจะรู้จักเพราะว่า ท่านเป็นคนที่มาบุกเบิกวัดเซนแห่งแรกในอเมริกาตอนที่มาเนี่ยก็อายุมาแล้วหกสิบกว่าแล้วมาบุกเบินี่ก็ต้องสร้างวัดเองวัดในอเมริกานี่มันก็ต้องใช้กำลังคนเยอะเพราะว่าค่าจ้างมันแพงทุวันนี้พวกคนหลังเขาก็ต้องเวลาจะสร้างบ้านบางทีก็สร้างกันเองเพราะว่าจ้างคนไม่ไหวตอนที่อาจารย์ชูเล่สุสกิตมาสร้างวัดนี่ก็ ไม่ค่อยมีเงินมีทองเท่าไหร่นะก็มีลูกศิษย์ลูกหาชาวเมริกันเป็นพวกคิด ป, ปี้นะเป็นพวกที่สแสวงหามาสมัครเป็นลูกศิษย์ก็มาช่วยกันสร้างวัดพวกนี้ส่วนใหญ่ก็อายุยี่สิบกว่าไม่ถึงยี่สิบก็มีมองคนก็หนวดเข่ารุงรังไม่เรียนหนังสือแต่ว่าสนใจเรื่องสมาธิการสร้างวัด น, นี่ก็ต้องขนหินขนไม้นะก็เป็นเรื่องใหญ่ มีคราวหนึ่งฝรั่งลูกศิษย์ก็มาช่วยขนขนหินขนไปได้ครึ่งวันก็เหนื่อยพักส่วนอาจารย์ชิเรียนี่ขนทั้งวันตัวก็เล็กเป็นญี่ปุ่นะอายุก็มากขนทั้งวันเลยลูกศิษย์ตัวใหญ่ๆชาวอเมริกันก็เลยถามว่าอาจารย์ทําได้ยังไงนะขนหินได้ทั้งวันทํางานได้ทั้งวันอาจารย์ชิเรียนก็ตอบว่า ก็พักตลอดเวลานลงงเนี่ยลูกศิษย์ก็งงไงอาจารย์เห็นอาจารย์ทํางานแต่ทำมอาจารย์บอกว่าพักตลอดเวลาอาจารย์พักใจไงกายขนแต่ใจพักเนี่ยคือใจไม่ได้แบกด้วยกายนี่มันแบกอิดแต่ว่าแบกจินแต่ใจไม่ได้แบกด้วยคือรู้เฉยะนะรับรู้คนเวลาแบกอิดเนี่ยใจมันก็แบกด้วยเนี่ยคือรู้สึกหนัก ใจบ่นไปทําไปบ่นไปกูหนักกูหนักนะไม่ได้รู้สึกว่าที่หินที่ที่ขนเนะี่ยคือกายที่ขนแต่มีความรู้สึกว่ากูขนกูขนกูเหนื่อยกูเหนื่อยนะแต่พออาจารย์ญญชุนเรือนี่เนื่องจากทํางานยังมีสตินะมันเหนื่อยกายนะแต่ใจไม่ได้เหนื่อยด้วยนะใจไม่ได้แบกหินด้วยใจไม่ได้แบบเอา ความเหนื่อยมาเป็นของใจนะความเหนื่อยเป็นของกายนะแต่ใจไม่เหนื่อยเรียกว่าเหนื่อยแต่กายนะใจโปร่งเบาก็เลยบอกกับลูกศิษย์ว่าเนี่ยก็ผมพักตลอดเวลาคือพักใจนะแม้กายจะทํางานอันนี้ก็เป็นเึงเพราะว่าเวลาทํางานนะเอาสติเข้ามาช่วยด้วยแต่ถ้าจเจริญทํางานแล้วไม่มีสตินี่นะมันก็ ทุกทั้งกายถูกทั้งใจเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจมันจะมีความรู้สึกว่าตัวกูเหนื่อยนะมันไม่ใช่ความเหนื่อยของกายนะแต่ว่าความเหนื่อยเป็นของกูกูเหน ưa, ื่อยกูเหนื่อยอันนี้เราว่าไม่มีสติปรุมตัวกูขึ้นมาเป็นผู้เหนื่อยถ้าเรามีสตินะมารู้รู้เฉยเฉยรู้โดยที่ไม่ต้องยึดไม่ต้องแบบความเหนื่อยก็เป็นเรื่องของกายอย่างเดียว อันนี้ก็เป็นโอกาสในการที่เราได้ฝึกสติด้วยนะฝึกสติจากการทํางานซึ่งถ้าเราทําไปทำไปัปก็จะเห็นถ้าเกิดว่าเราไม่เพียงแต่ส่งจิตออกนอกนะแต่ว่ามาดูใจที่มันปรุงแต่งดูเวทนาที่เกิดขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเห็นได้ว่าการทํางานก็เป็นการปฏิบัติธรรมที่ดีมากที่มันช่วยทำให้เราได้เจอโจทย์ยาก เมื่อเราเจอโจทย์แล้วเราผ่านมาได้เนี่ยเราก็จะมีอ่ความฉลาดมากขึ้นมีมีปัญญามากขึ้นถ้าเราทําแต่โจทย์ง่ายๆนะมันก็ไม่ไปไหนนะนักปฏิบัติทำจํานวนไม่น้อยเนี่ยชอบทําโจทย์ง่ายๆโจทย์ที่มันสบาย ๆ, ยายๆก็เลยไม่ไปไหนสักทีแล้วก็วนเวียนอยู่กับอปัญหาเดิมๆไม่สามารถจะก้าวพ้นปัญหาเดิมๆไปได้ อันนี้เร า, าเขาเรียกว่าชอบอยู่ในไข่แดงไข่แดงคือเขตที่มันสบายๆไม่กล้าออกไปไหนที่มันยากที่มันลำบากก็เลยพอพอใจกับโจทย์ง่ายๆก็เลยอยู่กับที่อะไม่ไปไหนนะบางทีเราก็ต้องเจอโจทย์ยากๆบางแล้วการทำงานเนี่ยมันก็เป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้เราเจอโจทย์ยากๆไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรนะก็ได้บทเรียนแต่ถ้าผ่านเราก็จะได้ ประสบการณ์มากขึ้นแล้วก็ได้ปัญญามากขึ้นแล้วก็คำนี้กับคุณกเท่านี้